ยังงงอันนีันไปไได้ไม่ดนก g r a i a s แต่ก็ชอบกันยินดีกันอย่างนีเลยจนถึงกับคน่างร่างทำเรื่องรไปหาอาชีพอะไรอต่ออาศัยอยงเขาาทำผิดเขาขอหาจินดาคนหัวใจเหือนเด่ไป เลืเป็นฟังทั่นะรุตปัญญานันมาที่ไม่จิตใจมาแก่เขนั่นเลยที่จะเพือนเขาเผื่อความหลงเข้าไปเผื่อความมึนเหงาเข้าไปจิตใจที่เคยมึนเหงาเก่าก่อนมาเพื่อนเขาก็ทวีคูณขึ้นเนไ้มการดูการฟังนัลเช ควางน่ำป no ังๆนั่นก็เรื่องของกิเลสกามีทันในจิตใจของคนหลงเหลวมัวเมาคนที่ไปชมโดยส่วนใดจใจกตขังเรื่องเหลนั้นอ่แล้วพไปดูเขตาฟข้า ใจวกันโลดเสียใจจนคุณติคุณปัญญาของคุณเลยได้ทนทาเสียหายใจนับเลขเรื่องต้งรู้เรื่องขงโลกก่ีจะเกิดก่นรู้การละลหถอน ที่เดืตันเหื่อนั้นไม่มีไม่หนักหนที่จะเกิดสติตันญาจิตอ่านจนได้แต่ก็มีเยมีปฏิัญามีทําแม่นในตัวแล้วน่ที่จะเอาคติมิตรอย่างนั้นนำมาสอนจิตสอนใจของตัวเพื่อคิ งกันขามกัโลกของเขาสะพิิตกันเเถอะเขาเน่กเลขเล่อย่างนั้นงนี้ิเป็นอนัก๋งยิ่งด้านลกขงยกหยกแอย่างรำคาญใจไปจิตไปเลยเนี่ย ขอรมะคิดกันไม่แงของการละทอนมันเป็ิดตงกัางข้ามตัวอย่างภาาลิบุตรบกเลาสม่งเป็นมนุษย์อยู่เรื่อเป็นอิตติตะกอริปะอุป ต, ติปะนมา้าภาษาลีบกตแต่ยังไม่บวชแต่ยังเป็นมนุษย์อูอุตอติปะ โดยุตตมไหนถึงขั้นหมดเวลาเนะ่ยกำเนิดลุมแน่ท่านทังสองเป็นเศรษฐีมีินมือเท้าเนี่ยอจาก้นเป็นคนมือท้แน่คอสมควงทุกวันทุกคืนเคไปเขี่ยดูหนังแล้วตกกันแต่ก็เล่มดีจะให้รางวัลเขาเช่น มัมาสนุกในการดูการสั่งของตัวดูกันมาเห็นกันมาเป็นวะยะเวลายางนานพอสมควรแต่วันหนึ่งแฟนๆจะหนีออกจากอะเลหาทางกปพิจบัณา ไปดึงดูยกันในหัวและศพนะจะคิดตรงกันส่วนทั้งสองคือจิตต์ตะจรลิตะทุกยันไม่เคยคิดเคยเมื่อนี้นจะสนุกเฉืกอเพิงแต่ังนั้นดูขึ้นนะหัวแะศพต่างๆางานที่จะเฉื่อรนั้นทุกวันมันไม่เป็นตางหยุดใจว่าคิด พอมาทางธรรมะคิดว่าคนที่เล่นอย่นี้หีือเขาเต้นอย่นี้ก็ดีคนที่ยนชิงหน้าเชิงกันอยงนี้ป็นจมูททกทำพันกวดีคนเหล่านี้ไม่คิดอีกว่าจะตายสนุกไม่มีใครเหลือหรอเราคนที่เด่นอยน่ี้ก็ทำาอาโยกันคิดลอกเขามาอย่างนั้น ดตายาเนอย่างนี on, ้นันายิด so, ูเขเียน่ี้นแไมด้คิตัดคิตไปใชตายคือมีมรณะสิกหนดควาตายของสัตว์มนเราโดยเนใดก็หายากที่จะชิมาดีดีสวนดีเล่นก็ดีส่วนีดก็ดีแต่วันนี้อายุ พองควอย่างน้อยก็เก็บกว่าปีสนใจจีไปมีไปทํากันอยู่นันคาดเอาว่าเจอแบบนี้เน่ถึงย้าวทีอย่างนี้จะย้าทีจะ้องใันหมดอยู่ความคิดแบบนี้นันก็ค็ดถูกแต่คิดผิดแล้วเช็กันอยู่เ็กันอยู่แบบนี้กับนี้กันในที่ห้าสิบปีหกสิบปีต่างทางตางคนก็จะต่าง ก า, าิาากกัารใเดกัน่านั้นความตายเป็นของจิความเป็นอยู่ในชีวิตความตายไม่ทราบว่ามันจะนนนไปได้กี่เรือนกี่ปีแคแต่ความตายนั้นใจเดีวกันทุกคนแข่งขัอยู่ทุกอาย่างจ้ะัจน่จะจยืยนจะ้ะ เดินต่อมาความตายมีอยู่กับทุกยุคทนางมีชี่มีเรื่องความตายใครคิดป็นเรื่องความตายทั้งตัวนนั้นก็ไม่สาต่จึ่าะเป็นเนหน้าสตุแล้วคิดถงความตายในสํานนนใจสิ สำังเกิดจังไปในทางการอารมณ์เก็ดีกอยากได้อนั้นอยากได้อนี้ก็ดีนีนน้หลงน่งีหล่าชื่อต่างๆถาลลึกมถึงความตายนเนอใจนั้นจะขาดหาทางกำลินดีทนงกาหลงหล ในความแ บ, บแั้นเหตบใดเพราะที่เราแสวงหาเราต่งนางอยากได้ล้วก็อยายินดีไ่อไที่จะต่างกันตายตายทั้งเราได้ทุ่อยางจะต่างตายเดยกันทาั้นตายไปแล้วเอาอะไรไปได้ไหมทราบดีว่าคนตายไปหรือมีใครนำสิ่งของอะไรไปอยากสิ่งนั้นสิ่ หรือว่าเป็นแบบิของเขาตลอดจีวิเป็นหัวเป็นหัยกันจะดีรักใครกันสนิทสนมกันชอบพอกันแต่จะมีใครห่างกันงานตายของหัวรักที่เชือได้นอ่จากนั้นตาไปแล้วพวกเรนั้นเขาจะมีทางที่จะเสียไปสู่โลกหน้าได เราขงเราส่นี้เป็น่นี Não, ้นี้่เามียังมีี่หเป็นอา้หยเหแต่พอตายไปก็ไม่มีอะไรติดมือไปิาเหี้าเหี้ยเอยาก้เป็นสายของโลกอย่เป็นพยานหักาเราจะตินมา้าไปไห ความเงใสความโมาหความประมาทของใจทางจิถึงความตายมีแต่คิดอยากได้ทายเดียวมันก็ลื่นจะเลงมเหนื่อยลื่นเปลตาไข่แก่ขนาดนี้ดางฮะกวรเอาความดีอะไรหน่ยได้ด้เดือดฮะ้ารประโยชน์ให้แกตัวมีต่อฮะเรือทั้งโลกต่อบเหนื่อยนะ ก็เอาไปเลยนะตายแล้วก็่สังกันหวินนามดตาใ่หินห้วดจิสจิตไม่เต็มเต็มไมุไม่ชิดไหน่จมาเราะมนอยห่งตัองตัวหนาักใส่ตัวของตัวคนเนื้อเสียกของตัวหนิดตัวในระยะทามีของเป็นอย่างนี้ นั่นจะมีกตกใจคิดขึ้นขอเ้งเปวเห็นอย า, าตายนี้ใกล้เขนะแต่ตัวเค้งเปลวเรายรข่ามา เ, เามาข้าก็จะชาอีกความหิงความหิวความใจหิวหิวอยู่ตลอดเวลาตัองอยากดอดีไม่ใี่ที่จะมาไม่มีธรรมะ เหงามีอะไรไปเห็านั้นยึดอันนั้ของของเราใจมันยึดมันผีมันเหงามันเหงานั้นมาความมีความใส่ใจในสภาวะธรรมให้ถ้าเราพิจารณาควางสายและผีหลับฐานพยายา ที่เขาตายไปก่อนทีได้เห็นเราเป็นอย่างนั้นแตวที่จะา้าเกิดอีกตัวนี้การเราเกิดมาเลนล่ะจะยิ้มจะชาจะเกิดนี้บ่านปลายลงเกิดหมเปนย่างี้ที่เหมือกับตาคงเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาไมมีอะไรเพิ่ ถ้าคนจะได้ตรงนี az, ้เขาคข้งเงินททงตรงนีนมีเป็นพยายาที่จะตัดความโลกความหลงทั้งจให้ตกออกไปเราเก็ดใหม่ตรงนี้อะไรติดตัวมาใส่ใสตรงนี้อะไรด้ไปแต่ทำไมถึงหูถึงหูถึงยึดถึเยึด ทีเวลางวยั่เาตาเ็มนัตา้าายลยได้หเลานานักเหียดมันเป็นกันอย่างนันาตายกในเันเเวลาอีกนเราไปยเยยต ที่จะต้องทำรับผิดชอบอยู่กว่าตาถึงเวลาความตายมาถึงนั้นผัดแต่ในสิ่งนะั้นเรื่องไดก่อนอยาขึ้นตายในขณะนี้นี่ก็ผัดเลยได้ถึงน่งเล็ดเล็ดยาในมือดีเลรักษาแตาาว่าตายไปจะมีศาสตจะเทาจ้ สิ่งพาอาสัยใครแต่เวลาคนาตายมาถึงเขานั่งกหัจแจตอนนั้นก็า ต, า ต, นตาไปได้จเลก็ะได้ไไไไในชีิตในรูปในหลังในสในแข้ในเงินองเวลาตายใจคนตาไปบ้างมันมดติดอะไรใขอัดอะไ ความตายเหนื Tang, grandmother, grandmother, ่อยวะสายวะ้ายวะกลางคืนกลางวันมัตายไปได้ไหมเนี่ยคามตายมันเป็นสิ่งใจจางกายท้่เราเหย่างนั้นกายอันนี้เน่อยนอนกายอันนี้ใจจังแต่ลลาใจจัซ้ายไม่ได้ในดังทาง้าเหนื่อยเราที่เจมาพึงควาตาย ตลอดนานตลอดเวลาประจันชีวิตของเราอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยลื่นหลงจมหนาไม่จมเป็นอยู่ของเราเลยตายไปทางศาสนาท่านสอนอย่างไรพระพุเจ้าชีวิตเป็นาตท่านสอนอย่างไร เลาเท็จมีแค่ไหนกี่แผ่นสอนมีเหตุผลผุดผูกไม่มากเรามาวิมิตรชอย่างคำสอนทางพระไตรปิฎกคำสอนคำสอนเนี่ยเรามีทางตายเป็นธรรมดาอย่างงี่เสความตายเว็นไงได้ยางเรสอนชึ้นยาเราจะได้ชัดาจากทังสกงชอบใจทั้สิ้นใจ ยิงเงี้ยแล้วเลยทัดัจากตายจริงเงี้ยหุขางเราเขาของข้างเรานมีของขางครานเนี่ยข้างเราญาติข้าเาเาไจากไปยิง้คนที่ตายไปหลานเงี้ยเห็นเป็นพยานนะไม่จากไปนะ เมื่อตายไปมีใครยังทิ้นชาติุก็บเอาไว้ทิ้งใจแต่เห็นเหงื่ขนาดไหนถ้าตายไปเ้าเป็นับผีนี่คือเาเคยรักเหนื่อยอเหงื่นแม่พอตายไปเท่านั้นไม่อยากแตะต้องนี่อยาเอาไว้ในบ้านของเขาเรืออยาเป็นผี จะแบ่งเอาทีไปสังไปเผาเป็นอย่างนี้เวลาเห็นกันมีใครเก็บอาแล้วเราถอบของเราอยากจะเอาเง่อะไม่เอานี้ก็แ้่มีใครเย็นใจขนานี้มีแต่เอาไปขผไปสังกันแต่ถ้าท่าจากสิวัตรสิชอบัน ก็เอาไปเาไปัง okay. ทัยาาแมีใจจะเผาไปังเราก็หาเสียงไเสียหม่อยังมึนอยู่เแเผาไปแล้วก็ปล่ไปเอาอกกันแล้วได้แตนางคนอยท่าไรมันก็ยังหาหยุดคนหาม่ได้หมดปัญาสิจะแหา พักกันมันเป็นอย่างนี้เห็นกันแต่ในใจนะที่โลกเป็นอย่างนี้นี่คือการพัหน้าจากท้นของลอดใจที่ท่าที่ไม่อยากไปอ่าก็หางใแต่สังเกตเห็นวอย่ขงราสีเหือนความที่อ่นันจะ ยี่งเพิ่มใร่าขอเราเน่อยของเราไ่ต้งเอาไปเผาไปสังข์เพราะหมดลมหายใจในชีวิตมันเป็นแบบนั้นหลังสังข์ไปว่าเรีกรรมไปของของกรรมก็คือการแต่ทำทำใจใจหยัดใจยังกรรมทำใจใจหยัดใจยักรร คิดใจเหยียดมโนกรรมหนุนเพี่กันออกไปจัดเปเราแต่เป็นทองว่าก่อตบันทึจิตก่นตามีกรรมสามอย่างเหล่านี้เป็นของข้อตโตการเชื่อจะเป็นของข้อตัวกรมีก็เป็นของข้อตัวไม่ไเป็นของข้อคนอื่นคนอื่นก็น่ะแย่งชิงเอาใหน่ได้มีขัาดไพ่เหนียวนาดทางเหนียวสามียะเขานเขาขี้ เอาไปไเคยดึงยิ้ทางนี้เขยกปาทางนี้เขาิ้มออกเลกเไดหยบดตาเขาโมยอะนี้เขาขโมอะไรนี้เอากัรมีกรรเชื่อสิคนทำไว้ตัดทาไว้มีใครสาเนี่ยคือจะมยไปได้เกณฑตจะหนักขนาดไหนจะมสยเนี่ยที่ายแย่งชวเอากรรมคือเขาทำเอาไว้ นี้ไปได้เห็นไหมว่ามีกรรมเป็นของของตัวกรรมที่เราแล้วเป็นการดีก็เป็นเผื่อนของเรากรรวเราติดถานที่ดีการเชื่อใจเราสะสมเอาแล้วจะเป็นทางตาทางลาตาทางใจก็นมีใครที่จะมาแย่งเอาไป ทิ้เรอยหูปากไปเนี่ยความเฉื่งนั้นมากกว่าแนงพาใน้ไปสู่ที่ชั่วนี่ละกันที่จิบขึ้นทางใจผุดใจเวลาใจนี่จะทมเดกลวาจเป็นเส้นแบกของสิ่งทำใส่เส้นับกของคนอื่นคนนี้นหละจะได้รับการมีการจตะทางของคนนี้ เมื่อตายไปอยากนิดที่น้อเสเสียจนตายช่ชนําเขาตหนาขี่้องเขาตายอันี้แทนไปขีแล้วในาเอเขานี่ตัเหนื่อม่าตายตามนี้องนั้นผ่าอะไรเเป็นอะไรนันก็เป็นอย่างนั้นใจจิตใจของพวกเราผั้ ย่งเด็ดหาย่างเด้ดถึงจุดสที่มิตรานนั้นท้ส า, าสนะสอนว่าจะต้องมีพวกดีใช่มีการเกิดอีกการเกิดอีกนี้น่าจะเป็นไปพร้อมกันจำดีามชั่วที่เตรียมทำได้ถนัดตรงนี้นมีคนไปเกิดในสถานที่ต่างๆกันแม้แต่ที่ เม่จากถึงน้ำเส้นเลยอย่างนรกเดชอสิริตายสัตว์สิริานแม่ก็ใช้ามเพื่อเตรียมบ้างถ้ามันไม่วยนลกมันบอการันพาไปนี่ม่เกิดเป็นมนุษย์ม่ก็เหมือนกันในสมัยเสมอกันทั้งที่เกิดมกันแเหมือนกันในจรนูเกิด กรรมที่มาจะเนอแสนสัหจแตกแต่ต่างกัน ข, นนาานข อ, อกกนนนงิี่เกิดมาไม่มีภาสความได้สบายตาแหงเอาเราติดเตียมมาแต่เทวดากรรมนั้นถ้าเป็นความเชื่อในส่วนในสถานี่เป็นมนุษนั้นเองจะติดเวรยมเขาต่างมีเศรษฐตได้มี ขอเงองอ่หที่นไหนมาา่งนยบาทไนวันมาเกี่ยวพักมาเอาไปตังค์วนก็ยากอีกนิดหนึ่งเงาแขวนไอ้แหงปดื่มกินก็อดอดอยากีไป ขทานชีวิตมีอะไรที่มีคนขขาทำให้เาเหอนตื่นขวดดีของเขาขอบรับทานแต่เราอดอยากอยากนจำเป็นจะต้องกินไปทานไปอขอทานชีวิตไว้ยืมตามเชื่อถึงมาเกิดเป็นมนุษย ก็ผ <Yeah, S 3> ิดแตดแตกต่างกันโยเพาะเราท่านหลาสมมติฐานหลาที่ฎีมาที่ให้เกิดเป็นมนุษย์เหมือกันแต่บางแตบาคนไปเกิดมี้ป็นกวนที่ดีมีฐานะดีย่งต่างๆมาขาวสารทสบายอยูมาแต่อาศัยเกวียนขงเขาควาเนื่ขเขาเป็นคนหลังเล่ยอยู่เกิดมา อ่าทำน้อยรักษาขอความี่งแ้ไมข้าวกาบแหงะคมินหเพาะมีชี้างคิดหลับคิดนอนกวาสะอาดเอถเข่งงะน่าดีแอาาบริโภคกับามีรถามีบีเพชรพิ้งเพิ่ใหญ่ข้ามมือข้ามมือผสของขา สะสมมาแล้วเข้าเขาเลยมีอะไรติดตัวมาแต่ตะกียทอเขาความเหน่อทองเขานะสงข้าสงแหงอยู่ทงตัวเฮ้ยตกให้สบายตามท้ายแม่สิอยู่กันดีกันเชื่อมันเป็นอย่างนี้โปรดทิง ม้ว่าคือเราเห็นเห็นกันแต่ก็เห็นเห็นนอดีตหลังเราหนูเห็นนั่นก่อนพูดยากปว่าเห็นเหนอยู่เราพยายามหนูดูแตพี่จ่มนะแตาพูดถึงจริงๆตาเาไม่ได็นไม่ไปจังเลยเชื่อกันมันเชื่อยากเพราะเรา แต่ตีตรงสานี่ยพี่เจนนะที่ไราเห็นตาตาอยู่แล้วเราคนหนึ่งคนที่นี่ีอะไรกันเหตุนั้นนั่นจิตประมินเลื่อนหลงไม่หยาดสะสมคุณงามความดีเอาไว้ใ่หัวไม่คิดในเรื่อในเยื่อเชื่อต่างๆประทับในสิทในใจเชื่อคำ ที่ทำไว้ให้เห็นให้ใจชัดเย็นแบนั้การเชื่อทุกอย่างเราตมองสร้างที่จะไปทำาพราะทแล้วเราเห็นตัณตาของเราอยู่คนทุกยากลำบาอนหนา้าหน่มีสติหน่มีปัญญาหนึ่มีเสาข้งเงินทองแล้วมอได่าเย็นทำางหนักวันเดินข้า ่งทาแขงวามก็งแรงเส้นที่หนเขาตัดน้ออย่างนั้นเด้ถ้าใส่ของเขาันเดิงบํานานให้เป็นไปอย่างนี้ใทุกคนตาดเธอเน้อความสุขความสมายัดน้อความีมีป็นดีตาดนอไม่อยากมีเรคมีภัยใจเหงได้ วินจเป็นไปต่างกันถ้ากเรา้เหงือทั้งตั้าหเราที่มิตรี่างใจที่เราเปใจความเชื่อเราจะไม่กล้าไปแตะต้องไปทันทหเราจะด้รับทุกข์รับทุอ่นีคนอื่นที่จะนัรับตังที่เราทําไลนอจากตัวของตัวถึงจะเป็น่รับตัง เหตุเชื่อจิตที่่้องในที่เหลือปหาะเจาเกิดตตาอยู่ได้ท่นมเกิดเป็นมนุษย์ี่ล้งหาจ่าจนกว่ายังคอยยังเชื่อทางเกิดเป็นสัมแล้วมันยิ่ไใจกันมาเกิดเป็นเกิดเป็นไก่มนุษเดียดผิว่หน้าหวานหนุ่มให่ใ่น่ะเดวหวานหมเชื่อม เราไปข่ะไปตึงไปเจนยืดยืดมันไม่จับมันเจนไปได้โดยอัณฑะของตาจันทร์สัตว์ขอป็นตาทิศแตกต่างกันเพราะอัณฑะของตาเราจะถนัดเขียวทีเขียวเียวสีสีเราม่หิวแต่ังไม่ฟังเลยดูยืดเจนดูยืด ถิ đây, ่นใดเป็นที่เป็นภัยเป็นทางเสือทางเสียก็เห็นถิ่นที่เจาน่ะละท้องถิ่นนั้นอย่าไปซ่าหรือว่าได้ก็เอาน่ยฝนมันเกิดพุเกิดพวดอะไรนั่นมันจะม่เห็นฝนนันะมันจะฝนจะเป็นอย่างไรนี่นนะ ทุกข์เพื่อต่างที่เราเี่ยต่างจะเกิดขึ้นเมือนกันกับคนปูนยาคิดลงไปใช่ไหมยิ่ลงไปมันก็ไม่ทราบว่ามันจะคน่ิดคนไทยพอไปถึงทางถึงศาสตร์มันทัขัดเกิดทุกเกิดภัยขึ้นหลบความทุกข์หลัคนจิตดูในคนอื่นเขาจะทุกข์แล้วบอกว่าถ้าอยากคนบินดาคิดเนี่ยจะได้ทุกข์ได้โทษคนที่เขานม่กิน เขากรณ์ทุกรอบลำหนักอะไรมีความเชื่อเพื่อไปกระทนองนั้น็ย้ากันมีเกี้ยอยากทำเดืกาใอยากพดเบื่อใะอยากคิดเดือใจตามดีเื่อนใดติดเพื่อสะสมควรจะทำนั่เพ่เน่ยสะสมเอาไว้เผือว่าเราประพฤติปี่บัต ในที่สุดสตดนี้เมล่อพานเราจะไปอาศัยกันมที่เราส่้งแล้วเป็นส่ายดีมัินหัตัวข้งเราจะเกิดในสุขสติมีความสุข ส, ขสนตราฐานเราะไม่มีใครที่จะเชื่อเราได้ไดนอกจากกรรมข้งเราจะเชื่อเราถึงแต่เราคิดอย่างนั้นก็ลืม เรื่องข้างขวาจะทำกรรมดีเหนอในตาเวลาจะในาาในจท้งตัวถ้าชีวิตเป็นไข่เน่อยนอนเหนือตาระดดนั่นจะเล่มอยากให้ตายตายเหนอตาเลาวจะเ่ารับจำีก็เข้าใดาดจะให้าำก็ให้ในาดาดจะภาวนาอะไระก็ภาวนาไปในคนพอคนตายหมดคุณค่าหมดสาระ ทำอะไรไเป็นท่านทำอะไรไม่ได้ก่ที่เรานะตายแถวนั้นที่จะต้ทำคนงานดีเอาว้ลราจาถแถวนี้อยากมีก่อนจะทำดีไปอย่าไปทำเชั่วนเราจาแถวนี้อกีจะคิดเชื่อเ่อเชื่ทำเช่ว ดีมันจะให้เกิดจากตัว ข, ของะเกิดชั่วผลมันจะชั่วเกิดดีผลมันจึงเกิดดีขึ้นางศ า, าสนทาวะายนู้ดสนิทใแล้วจะได้ลสนิทนั้นแล้วใคเหนื่แล้วก็ได้มหนื่อยีใครเ้แล้วก็จเจอใคร้า เมื่อปราออกฝนอยู่มะพ้าวนเกิดเป็นทมิ้นเป็นมะม่กบุม่อานั้นมันโปร่งใสจนพลียนเป็นมะพร้าวมีกันมีกันเชื่อกัาทํามายกันใพรทากันเดียล้วกันมีก็จะขีดดอกออกฝนให้ใครทำกันเชื่อแล้กันเชื่อก็จะขีดดอกออกฝนเหมือนกัน เมื่อเรากี่จะมาเรื่องของการเชื่อเรื่องของการแบนี้เราควรมีโอกาสเวลาเราจะเหนือสายเสื่เราที่จะทาได้ทำงานความดีส่วนใดที่เราสั้งใจาะทำนะหยุดเหนื่งค้อนใช้จะทำมันเช่นอย่าไปอ่านกานอ่านเวลาเรียน้าเดินไป็นคนภาวนาได้ให้ทานไบ้่อไปตักบาศ ก็ขาดการผิวผใสพยายามรันใจยิ่งจะจะใจว่าใจว่ไปตางทำเด่นแม้วก็ไปเลยได้ไม่เหงาใจอเลยแต่ถอยละถอยละก็เหง่าเหินอยไม่ไ้ไน่ชอบเลยจะโตเหน่อยหดอยู่ไม่ได้จะเดกอดได้ใไม่คิดไปเพิ่งเหงาเพิงมึนเหนื่อเพียงใ ไม่มกระิเอาไว้ถ้าจะไปทางนี้อะไรไม่หักห้ว้นควเนหนุ่มเป็นสาวก็ถว่าันี้ดังาวอยู่ใจใรเ่ก่อนถ้าขรักเทว่าเนหทางทนะอใจหเเหดหหมดแล้วไลมัไมันลนยายนมันเลยม่มีโอกาสเวลาห้ แต่การทำท้าเชื่อไม่นเหนื่ยอยบบสื่ออ่างนั้นนะถ้าใจาชอบใจา ย, ยินดีถือเียงงี้งก็กกได้จะร่ำดาบเราก็ทวัญขวายแขวนหงษยื่นเต้นยาจะไตสุดเข หัวลับตมีไม้ลำมีการขายหนักอย่างนี้ถึงเหน้าขนาดไหนใขนาดไหนเวลาขนาดไหนก็เลยคิดถึงใหญ่เท่าตัวเท่าใจขนาไหนใจเวลาใจก็เึดเบนไปมันเหนื่อยมันเหนมันแขวนเหนื่อยแขวน มันไปได้ในใจมันชอบเรื่องใจมันเป็นเรื่องสำคัญใจนั้นถ้ามีอาตมทำแล้วมันนมากไหลลงด่างต่ำด่างเสือด่างเคียสถามีแตจิตปัญญาหาทามเอาไวมีอัตมทำในจิตในใจจต่อที่เจานะสิงใดสชิงควรสิ่งไดหน่วยเชิงควรมันจะฆ่าเลือกทำสิ่งสะต้เงควรทำ ละเว้นสิ่งที่เหนื่อยจนควรเหนื่อยคือขิวเมื่อป่หนาดยที่มีสติอินปัญญาที่ะน่ะเยี่ยงของตัวเมืเราีกาของขี้เนมีการเนือเหตนผลมีการเป็นแดนเกิดมีกรเป็นขือปิดตาเป ที่ศิษย์่งก่าศิษยใจของเราเพ่อนรมานบรรทัดบรรชายของเราไปในทางที่เราฝากอย่างน้ก็นด้เกิดไม่อยาก็เกิดตายแล้วอยากจเกิดในสถานที่ที่มีศแต่อันหนาองกรรมงานทางเกิดในที่ทุกมีความเชื่อมนมีอะไดที่ิเกิษยบทัด จิตใจที nel, ่เราจะไปจะพิจารณาตาปได้เานี้เราทุกคนจึงหนึ w, ้งที w, ่พิจาราถึงความตายทั้งตนเราทุกคนจะส้งตายเหมืนกันตายไปนั้นไม่มีอะไรที่จะตาเราไปนอกจากการ่อสารกันการีความเช่อมีเจ้าตายเจ้าตายคาเชื่อของคนเชื่อ อย่าเปิเทตัวเลือกคัจับหสิ่งทีมีคประโยชน์อย่าไปคิดอย่าดันน่นก่อนเดินนี้ก่อนที่นั่นก่อนเควมตน่ น, น, น, นหนึ่งมีก่ยไหนในมีอะไรที่ห้างไกลเราเองก็กม่ทาบว่าความตายองเรานั้น มันยังมีสีนสี่ปีเที่วันเไงนาติแต่ในยนี้ก็ํายกันตนะับหลายได้คนจิตเคยเขวัตเขวานจนจีนภาวนาเขวามดกันหมดไปแล้วทั้งห ล, ลายคนแล้วก็หน้าดีใจเพราะเป็นเหล่านั้นสิ้นแล้วนอกจากจิตที่เชื่อที บายนเค่อเคล่อเหตุทรักษาสีนภาลนาทุ้าตติของเขาการดีของเขาถือสะสมเอาไว้เขาควจะได้ไปสืบคติที่ดีทางควรตามฐานหน้าที่ตามตามนสุทธสั่งแลาวควรจนเื่อนเหตทางรักษาสีนภาลนาอะไรเกิดแม่น่ย ย็นปีปีตาเล็กเที่ยแย่แ่เนี่ยสนใจในเรื่องของกํามินบาอะไรตายไปนั้นน่าสงสารในชาิแบบเเห่านั้นจะไปเพิ่มทุกข์รำคาญยิยินที่ไหนกันแต่ก็เเี้ยอะไรไม่ไ้เพราะเขาน่อสนใจในตัวเคาเองสนใจตัวเองยิของเขา โลกไปเลยเอะไรไปไม่ได้หนาทั้งตัวใหญ่ขเขาข้างบเท่ า, น, ท า, า, ท า, าทนั้นนนเนวเ อ, อ, องอย่างนี้หยุดเพี่ยนแตกต่านที่จริงหายสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่สิ่งของใจเมื่อตายมันเป็นอย่างนี้นักเกิดอีกเขาก็จะิดว่าเขาจะมีเหตุมาสิคือมันเหลง มาเกิอีถึงจะจำด้่าเมื่อไหร่เขาจะได้ให้กำลังสืหได้ถ้าเหวี่ยบเพาะกฎหมายนี้จะต้อเห็นว่าอะไรเ่งกีมาเข่งกีบ้านเข่งกีไปอไม่ได้เกิดใหม่เ้มาเกิดในบ้านนั้นเรียนน้แต่พอเกิดเป็นคนก็ยังดีถ้าเกิดเป็นมือเป็นหนเป็นเกิดเป็นคร ก็ไกันหยุดเดี๋ยวเข่าจะเจ้าจะเช้าจะสายไปในทางเสียทางเสืยโอกาสที่จะทันมุ่งเส้ทางอีกนั้นก็หาเหงยมีโอกาสเวลาที่จะทันได้เดี๋ยวเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ยังองเกิดมีช่วงวอันดีเพีย ที่จะคิดที่จะแวาทำทำงานความดีเอาแล้วเื่อพบหนัองตัวต่อไปจะได่คิดหลังเพากันดีจะงามไปถึงเราเรเสห์เหวนแต่วันนี้ทอยที่ไหนแต่การดีตามไปให้ทุกใหคิดหลังแต่เราทำกันดีเอแล้ว คนดีเถ่อจะไปเกิดในหลังเป็นเทิอเปนุดือดเผือกพัดดาคนเชื่อคนเสียเกิดไม่ได้ไนสายฐานถี่นะคนมีทานมีสีที่ภาวนาจะไปได้คนที่มีทาทนสีพาวนาอยากไปมสินแขน้ำสร้งไป มที่จะไปถึงมาเป็นที่อยู่กนโจรมีเงินเป็นที่อยู่ของคนคืออาภัพอันมีเงินเีกระส่งไปไมนได้แต่นั้นเราทุกคนอย่าไปคิดว่าเราจนจนจนหนักตกของเงินแพงอย่างนั้นอย่างนี้ เขาวัดแผล่าทำผลานดีไม่ได้อย่าไปคิดนั่นได้ทำดีแต่จิตตั้งใเไม่นานพองากําหนดเพื่อเพ้อเพอจิตใจเมากำลังจิตใจอย่านยมนจิตใจสงบมันจมีทางใช้ได้ขีนเรารักษากายาจาของเราไม่ทำเฉล่ยทผิดขีดขีดพระพุทเจ้าบอกเอาเราคนมีกายมีวาจามีใจ็นที่รักษาอยู่แล้ว ไม่ใช่ไหาที่อื่นน่ก็เพราเป็นไปทานสมุนต์กันถ้าเรามีปัจจุบันยานั่ก็เาะหาหนาทานไ้ามัหางนของเงื่ความอยู่ตามต่าตาโดยนเ็นถ้ามันย่าแต่สั่งก็จะหาไม้้าามีปัามีปัันก็เป็นบ้านช่างอยู่นั่นก็เลย ท้ายน้าที่จะทำยินทำทานได้านหนึ่ปัญญาน่นหมยถือว่าการทานั้นจะเกิดมเกิดกุเขเสีนี่เราต่อติดตานึน 16, 16กฝึกซ้อิฝึกใจเพื่อตัวอย่าเป็นคนมนื้มาแล้วทุกคนจะเลิมหาต า, าตายไปเนี่ยตายไปแต่อย่าให้ริตหลังเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งา เนะี่มหน้าคืะเอาเป็นง า, านทำดีอะไรได้มันก็หน้าอับอายหน้าเสียใจเพราะการเกิดมันเกิดยากหน้อเห็นยุ่งขื่อฉุมันเกิ ด, ดกเป็น ม, ม น, นุษย์มาได้เพราะทางอื่นมห น, น้าเกิดเป็นสัจจัแต่นัาประเทไม่ได้มันเกิดหน้าตาแต่ละตัวมันเกิดยี่หนึ่งี่หนึ่งลูก้งมันเ็นพันหนึ่งหนึ่ง กดเฉียดเหมือนกันนม่นเลยเดรคนนะคนเราเหอย่างนั้นสองคนสามคนเลยกันดีใช่ท้อหนึ่งมีสามคนหมดมีกันสองคนก็ดกันขาแสบอย่างนั้นขาแสบอย่างนี้นันเกิดยากนกในเหมือนัแต่นั้นรไมเกิด